ที่พวกเราแจกไปสิบแผน่นที่เรากันกันกรองที่พวกท่านได้คัดออกมาสิบนะแผน่นหลวงพ่อว่าน่าจะเอามาเป็นตลับตลับสักห้าตลับห้าตลับกี่พันกี่พันกี่พันตลั บ, ลบแจกในงานกระถินแต่ออกชื่อว่าสนับสนุนบริจาค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 หลวงพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังแนละ้วมีมีประโยชน์อย่างไรมีความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ อ, ออารียมีความเป็นยังไงให้ใครก็สรุปเลยคือให้ผลประโยชน์ต่อพวกเราทุกๆคนทุกทุกคนทุกๆท่านคือให้ธรรมะทำมมูลนิธิเขานี้จะให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจถ้าให้อย่างอื่น